สวัสดีครับคุณครูโยคะแล้วก็ผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกันในวันนี้วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มาพูดคุยกับคุณครูโยคะบางทีก็เพราะว่าคุณหน้าคุณตานะบางท่านก็ได้เจอกันบ่อยพอนึกถึงโยคะทีไลเนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงเมื่อไม่นานนี้ก็มี มีญาติธรรมโทรศัพท์ไปถามปัญหาไม่เกี่ยวกับโยคะนะ <c oughs> เป็นภาพาะตรีนะเขาบอกเขามีปัญหาว่าเป็นโรคพุ่มพวงโมก็นึกอ๋โอโรคพุ่มพวงทำไมคลั่งไคล์เธอถึงขนาดนั้นเนาะพอนึกถึงพุ่มพวงปั๊บนึกถึงอ๋อเป็นดาราหนักกลองเด่นโอ้คนนี้นา่ากลัวคลั่งไคลุ่มพวงมากแล้วมีปัญหาอะไรเป็นโรคพุ่มพวง เราบอกว่ามีอาการทางกายอ๋อเลยเข้าใจอาการทางกายมากมายเลยจนเขานี่เครียดมากร่างกายมีปัญหาแต่มันไม่จบแค่ที่ปัญหาร่างกายนะจิตใจก็เครียดเป็นทุกข์เพราะร่างกายเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าซึมเศร้าแล้วก็เก็บตัวนะไม่ค่อยอยากไปไหนคือเรียกว่าท้อแท้หมดกำลังใจ ก็มีเพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าลองไปปฏิบัติธรรมสิปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคลายทุกข์คลายเศร้าได้นะ mm hmm. เขาก็ไปปฏิบัติธรรมจริงนะไปปฏิบัติธรรมแต่พอกลับมาเนี่ยโอ้มันทุกข์ยิ่งกว่าเก่าอีกมันเครียดยิ่งกว่าเก่าอีก mm hmm. ทีนี้ก็คิดจะฆ่าตัวตายนะบอกว่าอยากอยู่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายก็เป็นทุกข์ จิตใจก็มีปัญหาแล้วไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลฟังแล้วอย่าคิดว่าธรรมะทาให้คนเครียดนะธรรมะไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์แต่การวางจิตวางใจในการปฏิบัติเนี่ยมันสำคัญมากจะเครียดหรือไม่เครียดเนี่ยไม่ใช่อยู่กับธรรมะคืออยู่กับใจเราเป็นสำคัญหนีทุกข์อย่างหนึ่งไปเจอทุกข์อีกอย่างหนึ่ ง, ง, งถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยังมีปัญหาทังจิตใจอ ย, อยู่เนี่ย เขาก็ไม่มีที่พึ่ง อ, อีกแล้วกใกล้โทรมาหาคนพิการผมจะช่วยอะไรได้บ้างออผมก็นึกถึงปัญหาไอ้ที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมะทาให้รรเป็นทุกข์แต่ว่าจิตใจเขาเนี่ยจิตใจเขาเต็มไม่ได้ความทุกขทนหม่นหมองแต่พอไปปฏิบัติธรรมเพื่อหวังว่าใช้ใจนี่มันพ้นทุกข์คือจะไปเอาผลนะจะผลการปฏิบัติธรรมนะ ขณะทําไปเนี่ยจิตใจมันมีความหวังหวังในผลมากเกินไปจตกจิตใจที่มันเครียดอยู่แล้วก็เลยเครียดกับใหญ่เลยอันนี้เครียดเพราะหวังและเครียดเพราะอยากได้ก็เกิดปัญหาเกิดการเพ่งบังคับจิตใจดิ้นหลนก็เลยเป็นทุกซ้อนทุกเลยนะกายก็ทุกใจก็ทุกทุกเพราะปัญหาเก่ายังไม่ทันดับจริงจริงมันดับไปแล้วล่ะ แต่พอปัญหาใหม่มาทับผมเนี่ยมันก็เลยหาทางออกไม่ได้คิดค่าตัวตายเก็บตัวไม่ยอมไปไหนก็เลยโตให้กําลังใจบอกไม่เป็นไรนะให้เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตยังมีทางออกนะอย่าไปคิดสั้นอย่าเพิ่งตายเลยวันนี้เราทําวิธีนี้ก่อนเสิก็เลยใช้วิธีการให้เขาผ่อนคลายความเครียดเนี่ยมันต้องแก้ด้วยความผ่อนคลายการผ่อนคลายก็คืออย่าไปสนใจกับร่างกายเมื่อป่วยก็รักษากันไป หายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกนี่เรามีปัญหาที่จิตใจนะใจสำคัญมากเลยเพราะใจเรานี่มันท้อแท้ซึมเศร้าอย่างนี้ละ่ะก็เลยหาทางให้เขาออกจากปัจจุบันที่มันพุกที่มันลุมลเล้า่ินิจวะชอบทำงานไหมบอกไม่ชอบละท้อแท้แล้วไม่อยากทำอะไรยละะทำสวนละ่ะทําสวนก็ไม่ชอบแล้วดูทีวีดูทีวีก็เบื่อฟังเพลงก็ไม่เพราะแล้ว เพราะว่าพื้นฐานจิตมันไม่ดีเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขนะมันหมดสนุกไปเลยก็เลนึกถึงการออกกำลังกายชอบเต้นแอโรบิกมัมยิ่งไม่ชอบเดี๋ยวเลยแล้วร่างกายไปกันเต้นไไหวและแล้วไทเก๊กอ่ะไทเก๊กก็ไม่เอาโอ้นึกถึงโยคะเลยนึกถึงโยคะเลยนึกได้คำสุดท้ายว่าแล้โยคะ่ะโยคะพอได้นะมีหวังแล้วจิตมันคิดเลยนะว่าโยคะ คลายเครียดโอ้มันน่าจะเปไ็นประโยชน์กับเขานะก็เลยแนะนำบอกลองทําโยคะเลยโยคะนี่มันคลายเครียดได้นะเพราะเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยเขาทํางานได้หนึ่งขณะขณะเดียวสั้นๆถ้าจิตเขาไปคิดคิดให้มันเครียดนะมันก็เครียดไปอย่างนั้นนะ่ะถ้าจิตมาเกาะ อ, อยู่กับกายที่เคลื่อนไหวตามแบบของโยคะจิตมันก็จะ ไม่ปิดเครียดกับอารมณ์เหล่า น, นั้นเมื่อเราเขียนเขาอยู่กับปัจจุบันกับการฝึกโยคะแต่ไม่เคยบอกว่าฝึกโยคะแล้วมันจะคลายเครียดและมันจะหายทุกยังไม่บอกเพราะบอกเดี๋ยวจะหวังหวังว่าเมื่อไหร่มันจะหายนะทำท่านี้แล้วก็แล้ว ม, มันหายเลยนะเลิกเขาไปสนใจเรื่องความคิดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยหันมาทาโยคะแล้วก็ทาความรู้สึกตัวไป ไม่ได้บอกให้มีสตินะถ้ามีสติจะเี่กับสติให้รู้สึกตัวกับการทําโยคะแล้วก็ก็หาเงียบทําไมผมจึงเลือกโยคะเพื่อคลายเครียดผมจําครั้งหนึ่งที่พวเองไม่ได้ไปฝึกกันนะฝึกไม่ได้หรอกฝึกได้เป็นบางท่าไปไม่รอดแต่ถ้านอนพอได้นะนอนฝึกนอนไม่ทําอะไรนอนเฉยๆเนี่ยผมเคยดูครู ก, กิมครู ก, กิมสอนโยคะ ทุกท่าทุกตอนสุดท้ายกูยกิดอยู่ว่าผ่อนคลายเอา่าตัท้ายได้ผ่อนคลายเพราะมันใช่ดิผ่อนคลายแสดงว่าใจามันไม่เครียดและผ่อนคลายทําได้ไม่ได้จบสุดท้ายกับผ่อนคลายมันจบลงที่ผ่อนคลายนะชีวิตเราถ้าเป็นอย่างนั้นเนะ่ยมันจะผ่อนคลาย โ, โน่นี่ให้เขาฝึกโยคะแบบผ่อนคลายอาศัยเขาเจริญสติหรือทําความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวในเอเวร์ของโยคะเพราะว่า กายเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่ดีมากกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่เครื่องอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปกระทรงนะคือเป็นเครื่องที่อาศัยอาศัยรู้สึกชั่วคราวนะทำอย่างที่นี่ใที่สถาบันทีโอทีเนีย่ยเนี่ยอาคารนี่เป็นเครื่องอยู่ชั่วคราวเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็แยกย้ายกันไปแล้วเดี๋ยวพาลงมาอยู่ต่อ พวกเราก็ไปแล้วว่ชั่วคราวคําว่าอยู่นี่ไม่ใช่ไปยึดติดว่าเป็นของเรานะนอนที่นี่ไม่ใช่รเราก็แยกย้ายกันไปชั่วคราวจิตต้องมีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจิตมันก็จะไปเกาะติดอยู่กับอารมณ์จิตทำหน้าที่ได้หนึ่งขณะชั่วขณะหนึ่งถ้าจิตเข้ามารู้สึกกับกายเมื่อไหร่แล้วก็จิตก็จะไม่ไปคิดแนวตรงข้าม ถ้าจิตมัวไปหลงอารมณ์หลงคิดอยู่เนี่ยจิตมันก็เกาะอยู่ที่กายไม่ได้มันก็หลงหลายไปความคิดเลยหลายเป็นานคิดข้ามวันข้ามคืนอ๋อถ้าเราสามารถที่จะทําความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวในเยบทโยคะจิตมันก็มีเครื่องอยู่ที่ปลอดภยัยจิตอยู่ที่ไหนจึงปลอดภยัยอยู่กับกายปลอดภัยมากแต่การอยู่นั้นไม่ใช่ว่าเข้าไปทรง ให้อยู่แบบสบายๆแบบแตะๆ แ, แ, แบบผ่อนคลายไม่ใช่เขไปยึดติดเข้าไปจับเข้าไปสัมผัสสัมผัสรู้สัมผัสรู้อยู่แบบดูดูดูแบบห่างๆจิตจึงจะเป็นกลางเห็นไหมนั้นการทําโยคะที่ถูกต้องนี่ต้องไม่เพ่งไม่เข้าไปจับนะถ้าไปเพ่งไปจับเมื่อแล้วก็เราเข้าไปกับเอียะบดเลยเข้าไปอยู่กับกายเลยแล้วกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันต้องพิการ่ะมันต้องทุกข์ มันก็เป็นเครื่องอยู่ที่ไม่ปลอดภัยแต่อยู่แบบแตกๆอาศัยชั่วคราวนะที่เราก็ต้องแยกย้ายจากกันต่างฝ่ายต่างไปนะแล้ให้าอาศัยด้วยกันนะเช่นเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือเอียบอดใดเอียบอดหนึ่งของกายเนี่ยให้มีปัจจุบันอยู่ตรงนั้นเนี่ยจิตมันจะไม่เลื่อนลอยไปไหนมันจะรู้สึกอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวเนี่ยตรงกันข้ามกับความหลงลืมตัว รู้สึกตัวเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็หลงตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนนั้นหลงคือหลงว่าอันนี้เป็นตัวของเราจริงซึ่งคนทุกคนหลงแบบนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้คือตัวของเราเนี่ยตัวเราจริงๆนะถ้าเป็นตัวเราเมื่อแล้วก็ตัวเราต้องดีแก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไม่สวยก็ไม่ได้ด้วยมันเลยเป็นทุกข์เพราะยึดติดว่าเป็นตัวของเราหลงตัวหลงว่าเป็นตัวตนของเรา แล้วก็ลืมลืมเนื้อลืมตัวคือปล่อยจิตใจเลื่ยล อ, อยลืมมารู้กับตัวเองเนี่ยจะเกิดปัญหาเพราะลืมตัวเองก็หลงไปกับอารมณ์ถ้าเรามีความรู้สึกตัวใหม่แล้วก็ความหลงลืมตัวทั้งหลงทั้งลืมจากตัวเองนี่ก็จะหายไปถ้แล้วมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในเอวบทต่างๆในการใช้ชีวิตในการทําโยคะนั่นแหละรู้สึกไปเรื่อยๆหนึ่งน้อยมันก็ สกัดกั้นความคิดไม่ให้มันปรุงจิตชั่วคราวแต่มันจะจำเป็นจะต้องคิดเนะ่ะเพราะคนมันเคยคิดสร้างใหญ่จะคิดมันก็ต้องคิดใช่ไหมลนะ่ะจะทายัางไงอย่าไปสนใจความคิดนะอย่าสนใจมันอย่าไปดูมันถ้าดูเนี่มันจะหลุดแปลความคิดกลับมารู้สึกตัวกับกายจิตมันก็เริ่มผ่อนคลายจากความคิดไปชั่วขณะหนึ่งให้มีปัจจุบันอยู่ตรงนั้นก่อน มันจะมีความปวดความเมื่อยของร่างกายที่มันเคลื่อนไหวที่มันอยู่เฉยๆเนี่ย mm. ก็คือเป็นอาการของกาย mm. ก็มีสติรู้มันรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวอ๋อนี่มันกายมันเจ็บนะกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะเราไปเพียงแค่พูดเรารู้รับท ร, รบาบมันเท่านั้นเองก็ปลอดภัยจากทุกขเวทนาที่เกิดจากด้านร่างกายอย่างตอนเนี้ถ้าใครนั่งอยู่รู้สึกมันเมื่อยรู้สึกไหมอ๋อนี่ใครเมื่อย กายมันเมื่อยมันเป็นกรรมของกายเป็นกรรมของกายวิบากวิบากขันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเราเมื่อยกรรมของกายจะกลเป็นกรรมของเราเราก็มีกรรมเพราะยึดติดว่ากายเป็นเรานะอ๋อนี่กายมันเมื่อยนะกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งหรอกที่เรานั่งเราหลงแต่รู้ว่ากายมันนั่งเนี่ยแปลว่าเรารู้สึกตัวแล้ว ถหลงว่าเรานั่งไ่แล้วก็เราก็หลงลืมตัวละหลงว่าเป็นตัวของเรานั่งนะแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันเป็นทุกข์ของกายแล้วก็ม่่อพายกายไปนะมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองนะเป็นกรรมของเขาเราก็ช่วยเหลือแก้ไขเปลี่ยนยาบทได้นะเปลี่ยนได้พลิกตัวไปแล้วก็รู้สึกตัวไปกายมันพลิกกายมันเคลื่อนไหวแต่จิตเนี่ยมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นธ ร, รมำที่คนลอย่างนะ กายมีหน้าที่เคลื่อนไหวหน้าที่เจ็บหน้าที่ปวดแต่จิตทําที่รับรูรร้รับทราบแก้ไขพยาบาลกายนเี่ยทําหน้าที่ต่างกันอันนี้มันจะสะกัดกั้นความคิดได้ชั่วขณะหนึง่งแต่ความคิดยังย่อมคิดได้เสมอเพราะเรามีจิตจิตทําหน้าที่สองอย่างคือรู้สึกคือรู้กับคิดถ้าเราหลงไปจักรายนี่เราก็จะหลงไปคิดเมื่อ น, นั้นเลยสังเกตไหม มันทำหน้าที่คนละอย่างกันสองขณะนี้รู้กับคิดทํำหน้าที่พร้อมกันไม่ได้พอรู้สึกปั๊บความคิดก็ไม่เกิดรู้สึกกับกายแต่หลงไม่รู้กับกายจิตก็เราจะหลงไปคิดทันทีเลยสองอย่างแล้วสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันก็มีโอกาสดับได้เหมือนกันนะเมันเกิดแล้วก็ดับพอสติดับปั๊บความคิดก็แทรกแทรกทันทีจิตต่อไปคือจิตคิดทันทีเลย จากจิตรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตคิดก็จะสอดแท้เพอจิตคิดสอดแท้ตรงนี้แหละถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันจะเกิดปัญหาความคิดเนี่ยมันเป็นต้นต่อของปัญหาเป็นตัวต้นเรื่องของความทุกข์ต่างหลายสังเกต ด, ดูเถอะที่เรามีปัญหาเนี่ยไม่ใช่คนอื่นทําให้ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่สังคม ไม่ใช่การกระทบทางตาทางหูปัญหามันเกิดจากจิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งคิดไปตามหน้าของกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างเช่นของตอนนี้อากาศเย็นอากาศเย็นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ใจบางคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันบางคนโอ้เย็นนี้สบายดีบางคนมันเย็นมากเกินไป จิตเริ่มปรุงละปรุงชอบไม่ชอบหละเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นที่จิตใจเราเกิดที่ความคิดเพราะเกิดความไม่ชอบปับ๊บจิตปรุงแต่งเลยมันไม่น่ามันน่าจะเปิดเบาๆมันน่าจะเป็นอย่างนี้ความเย็นก็จะเย็นอยู่อย่างนั้นแ่ะแต่ใจเราเนี่ยไปชอบไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบในสถานการณ์เดียวกันแต่ใจคนนี่ต่างกันเอาง่ายๆคือเสียงที่มากระทบหู เอาเสียงนินทาที่เป็นเสียงที่เราเคยชินเราไม่ชอบให้ใครนินทาเราแต่เราชอบนินทาคนอื่นปัญหาที่ใจลอยไหมพอเขานินทาเราโอ้เสียงเขานินทาค่อยๆนะแต่มันดังในใจเราลึกเกินเพราะการปรุงแต่งให้เสียงนั้นมันดังขึ้นที่จิตใจเราบางทีเสียงนินทามันดับไปแล้วแต่เสียงดังความนินทายัางอยู่ในใจเราเสียงความไม่พอใจอยังดังใน ใ, นใจเราลวเวลา พะเราไปปรุงแต่งในความคิดมันคิดปรุงแต่งมากมายเพราะนั้นปัญหาไม่ใช่สิ่งภายนอกภายนอกเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมมันไม่มีตัวตวนที่แท้จริงหรอกมันมีชั่วข่าวแต่ใจเราสามารถไปสร้างไปเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดใจจึงมีปัญหาความป่วยไข้ก็ดีเป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจเป็นทุกข์เพราะเกิดความวิตกกังวล นั้นถ้าเกิดความคิดปรุงแต่งเมาเมื่อไหร่แล้วก็คนที่ฝึกโยคะอย่างมีสติจะรู้ทันอาการของจิตที่มันปรุงแต่งขณะที่เราทําท่าทางในโยคะมีใครเห็นความคิดในขนณะนั่งปฏิบัติบ้างไหมนั่นแหละได้ทํำวิปัสสนาเลยนะได้เจริญสติเลยได้ทําภาวนากุศลเลยเรื่องของกายก็เคลื่อนไหวกันไปทํากันไปแต่เรื่องของจิตเนี่ย ให้รู้สึกเท่าทันมันคนที่ทำโยคะแล้วก็มีสติรู้ตามอาการของจิตคนนั้นเขาเรียกว่าโยคีหรือโยคาวะจรเจ้าคือผู้ทำความเพียรในทางกุศลได้สองอย่างเลยร่างกายก็ได้ออกกำลังกายจิตใดก็ได้เจริญธรรมงั้นสกเกตให้ดีนะ อย่าเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำโยคะทางกายอย่างเดียวโยคะทางจิตนี้ก็น่าสนใจได้สองอย่างเลยถ้ามีสติรู้ทันจิตใจคิดเมื่อไหร่แล้วก็เนี่ยเจอต้นต่อของปัญหาเจอสมุทยัยสาเหตุถึงความทุกข์คือราคะโทสะโมหะรู้เท่าทันจิตทันใจตัวเองถ้ารู้ทันจิตคิดเมื่อไหร่แล้วก็จิตก็จะผ่อนคลายใช่ไหมโยคะ มีความผ่อนคลายและนั่นร่างกายแต่การเจร si ิตติเป็นการผ่อนคลายและนั่นจิตใจให้มันไปด้วยกันจะมีประโยชน์มากนะเมื <rac> ่อสติรู้ทันจิตที่มันคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันมันเกิดปั๊บมีสติรู้ปั๊บจิตที่มันคิดปรุงแต่งเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกตามธรรมชาติของจิตเนี่ยมันรับอารมณ์ได้ขณะเดียว พอรู้สึกปับ๊บความคิดก็จะหายไปโอ้เห็นการเกิดดับของจิตของความคิดเจียมปรุงแต่งต่อหน้าต่อ ต, อตาเห็นอันนี้จังเข้าวิถีธรรมละเห็นอันนี้จังเห็นทุกขังความคิดก็ทนอยู่ไม่ได้เห็นอนตตาคือความไม่มีตัวตนอยู่จริงความคิดมีอยู่กิเลสมีอยู่แต่มันไม่มีตัวตนอยู่จริง มันมีอยู่จริงไหมความโกรธมีจริงไหมตอนนี้มีใครโกรธบ้างมันไม่มีหรอกมันมีแล้วมันก็ดับไปชั่วขณหนึ่งมันผ่านมาก็ผ่านไปมันเหมือนแขกที่จอนมาแล้วก็จอนจากไปถ้าเราขาดสติเวลาแขกจอนมาก็ต้อนรับแขกแขกมันก็จอนจัดอยู่ในใจเรานั่ยแหละวุ่นวายเราปรุงแต่งมากมายนะเพราเราขาดสติถ้าไม่สติรู้ทันโอ้แขกมันอายเลย เห็นปั๊บมันก็หายไปเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาและจิตใจนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเข้าวิปัสนาญาแล้วเนี่ยนะอาจจะบรรลุธรรมในขณะที่ทําโยคะก็ได้เรากลายเป็นโยคีผู้บําเพ็ญเพียรแล้วมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้อย่าประมาทการบรรลุธรรมเนี่ยมันได้ทุกขณะจิตนะไม่มีการฟลุกถ้าจิตมันลงสายกลางแล้วก็จิตมันหลุดพ้นจากอาการของกอาการของจิตเลย แต่เราก็ไม่ลืมกายก็มารู้สึกตัวแบบกายขณะทําโยคะเหมือนกันทำเหมือนกันแต่เวลาจิตมันคิดค่อยมีสติรู้ทันรู้ทันเมื่อแล้วก็ราคะโทสะโมหะมันก็นดับไปตาต่ตา mm hmm. เมื่อจิตหรือความคิดมันดับไปมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นจิตเมื่อก็เป็นอิสระเมื่อเกิดความผ่อนคลายนะจิตเป็นอิสระผ่อนคลายเรียกว่าโยค ะ, ะเกษมนะ โยคก ะ, กะเกษมคือกระษมจากเครื่องผูกลัดเผาลนยอกตําทิมแทงของกิเลสราคาโทสะเห็นไหมเป็นโยคก ะ, กะเกษมนิจิตก็ไปอิสระและ้วชั่วขณะก็ยังดีนะดีกว่าไม่มีเลยในใจเราถ้าเกิดชั่วขณะหนึ่งจิตผ่อนคลายอิสระขณะหนึ่งปับ๊บมันเป็นเหตุปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วก็ไปอิสระเลยเหมือนกัน อย่างน้อยจิตมันก็สั่งสมลอยแห่งความว่างความอิสระเอาไว้ครั้งหนึ่งต่อไปตรงนั้นมันที่สบายของจิตจิต ก, ก็จะไปที่สบายเสมอต่อไปก็จะไม่อยากไปคิดตามกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วทำให้ใจิตใจมันร้อนรุ่มทำให้ใจเราเศร้าหมองเบื้องต้นของการทำโยคะก็ให้รู้สึกตัวในถ้มกลางสัมผัสกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจ ก็สายความรู้สึกตัวจึงเกิดเป็นสัมมาส ม, มาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ในเบื้องปลายก็รู้สึกตัวคือปล่อยวางกิเลสได้จิตก็จะเป็นอิสระปัญหางคนที่เครียดเพราะร่างกายมีโครคภัยไข้เจ็บเครียดเพราะจิตใจที่มีความคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์การทำโยคะเนี่ยสามารถเอาชนะได้โยคะชนะความเครียดได้ ผู้เองก็อาศัยวิธีเป็ น, นั้นเหมือนกันทุกพ่อกายทุกพอใจก็อาศัยกันแต่สายการเจริญสีแบบเคลื่อนไหวคล้ายๆโยคะนอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปาการพลิกมือพลิกมือรู้สึกตัวพลิกมืองายรู้สึกรู้สึกสติรับ ร, รู้รั บ, รรบทราบไปาการเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปอยู่นะแค่ธหน้าที่รู้การหน้าที่เคลื่อนไหว จิตทำที่รู้ทำที่แยกกันแล้วก็การพลิกตัวการใช้เรียบทประจำวันดื่มน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพับผ้าหม่มทานข้าวก็มีสติรู้สึกไปกกายทำอย่างนั้น <S <S จิตมีกายเป็นเครื่องอยู่มันก็ไม่มีเวลาไปคิดให้เป็นทุกข์อีกแล้วเพราะกายมีเครื่องอยู่มันก็ไม่ไปกับอารมณ์มันตัดขาดจากอารมณ์ไปเลยนะมันอยู่กับกายเคลื่อนไหว แต่พอเราเผลออารมณ์เก่าๆก็จะมาแทรกอารมณ์อดีตอนาคตกังวลถึงอนาคตอะไราถึงอดีตก็เข้ามาแทรกจนอยู่มาวันหนึ่งสติมันเต็มรอบมันก็รู้ทานอารมณ์นี่มาแทรกที่นหน้าแล้วเนี่ยมาอีกแล้วทําให้เราเป็นทุกข์ไอ้ความคิดแบบนี้เราก็ทุกข์คิดอะไรอดีตเราก็ทุกข์กังวลอนาคตเราก็ทุกข์คิดอยากไปเที่ยวก็ทุกข์อยากกินอาหารอร่อยก็ทุกข์ โอ้ยความคิดที่มันทำให้เราทุกมาหาเราเรื่อยๆไอ้พวกนี้ว่าแขกหน้าดําเราก็มีสติรู้ทันมันอสติรู้ทันตอนนี้ความเหงาก็ดีความโง่ก็ดีก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้านักก่อสร้างคือความคิดทั้งหลายจะมาสร้างบ้านเรือในจิตใจเราไม่ได้อีกแล้วเรารู้จักเจ้าเสียแล้วว่าเลาะยอะความคิดตัวเองมันก็จางกลาย ไ, ไปเด่นิด ลืมแล้วว่าความเหงาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรไม่มามันมาไม่ได้มาทีไรก็รู้ทันทุกทีมันเลยไม่อยากมาไปหาคนอื่นดีกว่า <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่รู้ทันก็พอแล้วสบายเลยโยคะก็ผ่อนคลายการเจริญติดในชีวิตประจำวันก็ผ่อนคลายใจก็เลยหมดปัญหาจึงรู้ว่าอ๋อสติเนี่ยมันช่วยจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบได้ สติช่วยจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบได้เมื่อจิตไม่มีสติจิตก็จะฟุ้งซ่านไปตาม ร, ระบบของมันไม่มีระเบียบพอมีสติรู้ทางปับ๊บความคิดเป็นระเบียบเป็นระเบียบคือถ้าเราต้องการจะคิดเราก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดวางแผนคิดวางแผนแต่ไม่ได้คิดกังวลเรื่องแผนที่เราวางนะเป็นงบ้างพวกเรา พอคิดวางแผนปั๊บจะต้องแหม่ทานี่มีทันยังไงความกังวลแทรกเข้ามาไม่รู้ทันแต่พอเราคิดวางแผนปั๊บความกังวลไม่เกิดแม้จะเกิดแล้วก็รู้ทันอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราคิดมันเป็นระเบียบถ้าจะเลิกคิดก็เลิกได้ไม่ต้องเจ็บเอาไปคิดตอนก่อนนอนซ้ําไปพอตอนนอนปับ๊บก่อนจะนอนจิตมันหยุดคิดเลยมันหมดเวลาคิดแล้วถึงเวลานอนก็ต้องนอน คิดอะไรไม่ค่อยออกล่ะก็นอนหลับสบายนะมันจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบจิตไม่ฟุ้งซ่านพอจิตไม่ฟุ้งซ่านมันก็ผ่อนคลายเลยมันก็ผ่อนคลายพอจิตผ่อนคลายแล้วร่างกายก็พอที่จะผ่อนคลายไปด้วยมือไม่เกร็งคนที่จิตเครียดมือจะเกร็งนะเคยสังเกตไหมมือเกร็งตาแข็ง <laughs> นั่นแหละคือจิตมันเครียด ก, ก่อน แบบนี้มือไม่เกร็งมือผ่อนคลายคอก็ไม่เกร็งผ่อนคลายสายตาก็ไม่แข็งแบนนี้ก็มีนะาตาไม่แข็งก็มีนะแต่าตาหลีหลนี่แหละผ่อนคลายนะทลับได้ก็โอเคนะเี่ยมันประสบผลสำเร็จแล้วถ้าเราสามารถพูดกัยคนผ่อนคลายแล้วหลับได้ <c oughs> ภูมิใจวันนี้เ <c oughs> นี่ยมันเป็นชีวิตที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นชีวิตที่ผ่อนคลาย คลายจากความเครียดคลายจากความทุกข์เป็นวิถีชีวิตแห่งธรรมะจริงๆแล้วก็ใช้วิถีเนี่ยเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตแห่งธรรมะเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวถ้าเรดำเนินชีวิตด้วยความรู้ตัวจะนอนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขจะกินก็มีความสุขจะถายก็มีความสุขท้องไม่ผูก แม้จะเล่นกีฬาออกกําลังกายทำํำโยคะหรือทํางานจิตใจก็เป็นสุขเป็นสุขทุกขณาจิตในการใช้ชีวิตแต่ละวันเมื่อมีชีวิตมีความสุขก่อนตายมันก็มีความสุขตายไปก็ไปสู่สุคติเราอยู่ยังไงแล้วก็ตายอย่างนั้นอยู่แบบมีความสุขตายก็มีความสุขถ้าเราไม่มีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตแล้วก็จิตก็จะเครียดเร่าร้อนฟุ้งซ่าน กระวนกระวายอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้อยู่ก็เป็นทุกข์ก่อนตายก็เป็นทุกข์ตายไปแล้วก็สู่ทุกขติมันก็อยู่แบบสร้างเหตุร่งความทุกข์มืดมาก็ต้องมืดไปถ้าเราอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยจิตจะเป็นกุศลจิตเป็นกุศลเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น อ่ะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปอันนี้พุทธพจน์ว่าเอาไว้มันเป็นวิถีชีวิตแห่งธรรมะจริงๆนะแต่ย้อนไปถึงขั้นต้นก็แนะนําได้อยถาคนนั้นไปไม่พูดยาวขนาดนี้หรอกอั น, นั้นคนเดียวพูดสั้นๆ น, นี่หลายคนก็พูดยาวหน่อยเขาก็หายเงียบไปเขาหายดีแล้วก็ตามไปอยู่กับพุ่มพวงก็นไปเลยอัะนะี้คุณครูโยคะ ที่จะฝึกโยคะก็ดีจะสอนโยคะก็ดีอย่าเป็นโยคะแบบเพ่งจ้องมันจะเครียดครูโยคะยุคไฮเทคยุคพัฒนาต้องทําโยคะแบบผ่อนคลายคลายทั้งกายคลายทั้งใจโดยการไม่เพ่งทําแบบสบายๆจิตใจผ่อนคลายถ้าเราไปเพ่งเข้าไปอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือการทําโยคะ มันก็จะเป็นสมรถะที่เพ่งจ้องทําโยคะเพื่อให้ใจเครียดไม่มีประโยชน์เลยเขาเรียกว่าเป็นเป็นครูยโยคะที่ยังไม่พัฒนาถ้าครูยโยคะที่พัฒนาจิตใจแล้วต้องทําแบบผ่อนคลายสบายๆถ้าแบบปล่อยวางแบบมีความสุขอันเนี้ยโยคะยุคใหม่เป็นทุพสนานะถ้ารู้สึกตัว ในการทำโยคะแบบไม่เพ่งไม่จ้องแบบผ่อนคลายจะเป็นปรัสนาจะเกิดยานปัญญาเกิดความรู้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันใจละกิเลสได้ในขณะทำโยคะจิตเป็นกุศลต้องรู้ว่าปริมาณความรู้นี่มันขนาดไหนถ้ารู้แบบมีตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็มีตัวเรานะมันก็ยังไม่สว่างมันจะมีแต่แค่รู้ แต่ถ้ารู้สว่างเนี่ยคือรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นปับ๊บจิตมันก็พ้นออกมาจากอาการหลนั้นเครียอมันตื่นตื่นออกมาจากอารมณ์ตื่นออกมาจากความคิดตื่นออกมาจากความหลงชั่วขณะหนึ่งมันก็มีเขาเรียกตื่นรู้ไอ้คําว่าสว่างเนี่ยมันก็เป็นความสึขของเรานะแต่ละคนในสว่างไม่เหมือนกันนะโมสว่างแบบหลีหลีก็สว่างกันนะส่วนแบบหลีหลีหมสว่างจ้า ก็เป็นแค่ความรู้สึกความสว่างเป็นความรู้สึกแต่จิต ท, ที่ตื่นออกมาจากอารมณ์เนี่ยอันนี้มันจริงกว่าพอรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดปั๊บจิตก็จะตื่นตื่นคือตื่นออกมาจากความยึดติดมาเป็นผู้รู้ซะไม่ได้เข้าไปเป็นคุกเข้ากับอารมณ์ตื่นชั่วขณะหนึง่งถ้าทําบ่อยๆนะจิตเคยจินเยื่อรู้สึกรู้สึกตื่นบ่อยๆมันก็มีอาการที่มันโปร่งโล่งเบาสบายผ่อนคลายอิสระ สว่างสวยขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของสติในตอนนั้นว่ามันขนาดไหนถ้าปกติอ๋อจิตปกติเอาตรงนั้นไปก่อนทํำบ่อยๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความปกติของตอนนั้นปั๊บมันจะมีการพัฒนาให้มันสใสมันปร่งเบายิ่งขึ้นใหม่ๆอาจจะไม่ชัดเจนทํำบ่อยๆเนี่ยจิตมันจําสภาวะได้แล้ว ต่อไปมันรู้แบบนี้แล้วจิตมันดีเนี่ยรู้บ่อยๆจิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะพัฒนาขึ้นเป็นระดับระดับญาณปัญญาจึงขึ้นเป็นระดับระดับไงจะไม่เสมอกันครั้งแรกอาจจะไม่สว่างสวัยแล้วรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะสว่างไปเองนะเหมือนการเราขัดเครื่องมือสักอย่างใหม่ๆก็จะมัวๆปัดเช็ดแว่นเช็ดแว่นขัดบ่อยๆแว่นมันก็จะใสมแมม่ก็อาจจะไม่ใสมัวๆถ้าเรารู้ใช้เฉยจิตที่รู้เฉยๆเนี่ย รู้ใจใจรู้ซื่อจิตอิสระมันก็แยกออกมาจากอารมณ์จิตกับอารมณ์ก็แยกจากกันถ้าเจิตรู้เป็นเรารู้แล้วก็มันก็ยังเป็นแค่คิดรู้มันจะโปร่งโล่งเบาจะเฉยจะนิ่งมันเป็นกรรมของจิตเป็นเรื่องของจิตในที่ของเราก็รู้เท่าทันถ้าไปอา้าุผลแล้วก็เราจะปรุงแต่งจิตมากกว่านี้อ๋อนี่คืออาการของจิตเท่านั้นหนอ ก็จบตรงที่รู้เท่ากันท่านพอแล้วถ้าเราไปหาเหตุผลเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะจิตนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับแต่๋มันก็เปลี่ยนหลายดวงหลายจิตที่มันเกิดขึ้นต้องหลายดวงเใช่ไหมมีอาการมากมายสรุปลงว่าเนี่ยมันคืออาการของจิตเท่านั้นเองได้แต่มันเราแค่รับรู้รับทราบไว้เฉยๆแล้วเรียนรู้จิตสบายเลยไม่ต้องทําอะไร มันต้องแทรกแสงม่นต้องไปขยายไม่ต้องเปลี่ยนรู้เท่าทันพอรู้บ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราแะแล้วจิตคือสิ่งที่มาปรากฏชัว่วกำลังไม่ใช่เราแะแล้วถ้าว่าจิตมันคงที่มันสงบอยู่เรื่อยมันตายอยู่เรื่อยเนี่มันผิดปกติแล้วถ้าเราไปบล็อกจิตให้มันเป็นปกติก็ยังไม่ใช่ให้มันเปลี่ยนอย่างนี้แหละเปยนระดับเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นการพัฒนาของการปฏิบัติของเรา ก็เป็นลำดับขั้นเป็นลำดับยานการดับทุกข์ก็เริ่มจากเราต้องรู้จักยอมรับความจริงนะอ๋อนี่เราเป็นทุกข์เนาะยอมรับความจริงสำคัญนะคนเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงพอยอมรับแล้วเราก็รู้จักที่จะแก้ไขมันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผมเนี่ยแก้ปัญหาพาตัวเองไปรักษามากมายเราไม่รู้จักต้นตอของความทุกข์ มันอยู่ที่ไหนรู้วเรื่องของกายล้วนๆก็พาร่างกายไปรักษารักษาทุกอย่างแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนปัจจุบันหมอบีบหมอนวดทรงเจ้าหมอดูหมอพระเอช่วยกันมากเลยมันยังก็ไม่หายนะเราก็ต้องยอมให้มันเป็นไปซะบ้างสองยอมนะยอมแรกคือยอมรับความจริงเริ่มผ่อนคลาย ไอย้ยอนมันเป็นไปมันก็สบายแนละ้วต่อมาก็เรานี่มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าชีวิตเราอยู่ไม่นานหรอมันเป็นลางบอกเหตุว่าเราจะต้องอยู่ไม่นานชีวิตนี้มันต้องตายในไม่ช้าเพราะเราชีวิตแบบผิดปกติกตายก็ตายยอมตายรู้จักยอมสามยอมนี่โอ๊ใจมันเท่ากับเราปล่อยวางอะไรไปได้เยอะเลยนะไม่ได้คิดเอานะแต่ว่ามีความรู้สึกที่เราต้องทําอย่างนั้นเลยนะ ยอมรับความจริงยอมมันเป็นไแปบบยอมตายแล้วก่อนจะตายจะทำอะไรให้มีสาระนี่เริ่มคิดพอยอมแล้วต้องคิดนะต้องคิดต่อว่าจะทำอะไรให้มันมีสาระนี่เริ่มของสาระของชีวิตแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายแนละมันทำอะไรแรกอดทนไหมก่อนทนต่อทุกขเวททางกายเวทนาทางกายทนต่อทุกข์จนบีบคั้นจิตใจอารมณ์ต่างๆบีบคั้นอดทนไหมก่อน เวลาที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงให้มีสาระกะผููแบบประมาทนะว่าไม่เกินห้าปีประมาทมากคือยังกลัวตายอยู่น่ะไม่บอกจะตายในวันพรุ่งนี้นะบอกว่าอีกต้องห้าปีจะทำยังไงให้มีสาระหมอร่างกายช่วยไม่ได้ก็เลยอ๋อไปธรรมะเนี่ยอันนี้แพทย์ทางรอดนะเนี่ยแพทย์ทางเลือกเอาไม่รอดโอแพทย์ทางรอดธรรมะเป็แพทย์ทางรอด รอดทางจิตวิญญาณออกมาจากไอ้ความทุกข we well ์ที่มันลุมเราเจอแพทย์ทางรอดก็ได้เลือกแพทย์ทางรอดก็ปฏิบัติทำเพราะปฏิบัติทำมาลืมตายเลยอที่เรากะไว้ประมาณห้าปีลืมไปเลยนี่อยู่ต้องสามสิบกว่าปีก็เลยอยู่แล้วก็เอ้เราควรจะทําคุณค่าให้กับตัวเองสูตรมีตัวนะเราทําคุณค่ากับตัวเองแบบไม่มีค่าตัว ถ้าทําค่าตัวมันทําได้นะไปร้องเพลงที่ต่างๆก็ได้ของพรมะไรได้เงนินได้ทองนะะมีค่าตัวเอ๊ะทำตัวให้มีค่าดีกว่าเราอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้บ้างอย่างเราคนที่มีความทุกข์อย่างเราก็มีะทําประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นให้เนี้ยคิดให้กําลังใจนําเอาสิ่งที่มีสาระเอาแพทย์ทางรอดไปก็เลือกมามันก็ดู้ว่าเออตัวเองมีคุณค่าก็มีประโยชน์มันก็ต่อชีวิตมาได้นานนะ ปัญหาต่างๆก็ลุมล่มเ้านั่นคือสิ่งภายนอกไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องแก้ไขตัวเองข้างนอกอ่ะพอเราแก้ไขใจล้วได้เนี่ยข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้ะมันเป็นเรื่องชีวิตที่จะต้องผ่านจะต้องเรียนรู้ก็สบายข้างในข้างนอกอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะสบายเลยไม่รู้จะอยู่กี่ปีเริ่มจากอดทนแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็เข้าไปแก้ไขแก้ไขแล้ว แก้ไขไม่ได้ย้อนมันเป็นไปถึงกล้าตายก็ยอมตายถ้ายอมตายตัวอย่างเดียวในชีวิตนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวทุกอะไรแล้วแล้วก็เลยใช้วิธีการคิดหาทางแก้ปัญหาแล้วก็ลองปฏิบัติดูก็เจอธรรมะเนี่ยมาเป็นวิถีชีวิตก็คือธรรมะเนี่ยใจมันก็ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็อยู่นานผิดปกติคนที่ป่วยรุ่นเดียวกันเขาไปนานแล้ว แต่คนดีๆที่มาเยี่ยมผมก็ไปแล้วเราก็ยังคงอยู่ได้นะถึงยืนจัดไม่ได้ก็ น, นอนหยัดนั่งหยัดก็เอาก็เลยสบายเลยนะอยู่กับตายมีค่าเท่ากันอยู่ก็ได้ตายก็ได้ไม่เป็นไรละเอาเป็นตัวอย่างได้นะในการใช้วิธีคิดแบบนี้เป็นประโยชน์มากคิดว่าคนอื่นก็ทําได้เหมือนกันคนที่มีปัญหาน้อยยิ่งง่ายเลยเราต้องต้นจากรู้จักอยอมรับความจริงกันการที่เรายอมรับความจริงตรงนี้แล้วเนี่ย ทุกคนมีกรรมเป็นของตนนะฮะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ให้กระจ่างนะครับยอมรับไมหมยอมแพ้นะดี๋ยวเราบสิ่งเกิดขึ้นไม่ยอมแพ้เรามีทางแก้ไขผู้เจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตนถูกแล้วกรรมเป็นสิ่งที่ให้เรายอมรับแต่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนากรรำเราเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ตอนนี้เรารับกรรมอยู่ก็ใช่ แต่ว่าการรับกรรมไม่ใช่ไปแบกอีกเหมนั้นเราสามารถพัฒนากรรมพัฒนากรรำที่เรากาลังรับเนี่ยให้มันดีขึ้นได้เป็นกุศลกรรมก็ได้ไปไปฏิบททัติธรรมหรือคิดดีๆทําบุญในตานคือพัฒนาเพ้นไปกรรมมันต้องมีอยู่แล้ว ม, มีใครแก้กรรมได้ผู้เจ้าไปยังแก้กรรมให้ใครไม่ได้แต่สามารถพัฒนากรรมที่มีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นได้เป็นกุศลกรรมได้ท่านบอกว่าถ้าคบกับพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้ว บุคคลที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่เป็นธรรมดาบุคคลที่มีความเจ็บบุคคลที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บความตายได้บุคคลที่มีกรรมของตนก็จะพ้นจากกรรมได้ถ้าคบหาถ้าเป็นกาลยานมิตรคือเอาหลักธรรมมาปฏิบัติสามารถทําให้จิตได้พ้นกรรมได้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นทางร่างกายร่างกายพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้น แต่จิตใจ น, นี่พ้นพ้นการเกิดการปฏิบัติธรรมในที่สุดคือทำแล้วมันไม่เกิดไม่มีตัวตนมาเกิดแล้วใครจะตายใครจะแก่ใครจะเจ็บสำหรัพัฒนายพ้นกรรมเหล่า น, นั้นได้มันมีทางออกชีวิตมีทางเลือกไม่ใช่ว่าเราจะเป็นทุกข์ต้องทุททตรอดชีวิตมันไม่นั่นมันจะลงโทษตัวเองเกินไปถ้าเราปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจมอแล้วก็เราก็จะไม่ยึดติด กายจิตเป็นที่ตัองอ้งห่งกองทุกข์ถ้าเราปล่อยวางกายจิตได้เมื่อไรแล้วก็จิตเราก็พ้นทุกข์การจะปล่อยวางนั่งคิดเอาไม่ได้ต้องปฏิบัติธรรมเจริญสติสศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคแปดพุทธองค์งชี้ทางไว้แ ล, วแล้วเราเดินตามมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาหรือภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราก็จะพ้นจากกรรมทั้งปวงพ้นทั้งนั้นจิตใจ ร่างกายไปไม่ได้ร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ใจคือผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทุกคนมีทางออกนะทุกขนาดไหนก็ตามมีสามารถหยิบพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราเป็นผู้ทุกข์เราก็ทุกข์เองถ้าเป็นผู้เห็นทุกข์เราก็ออกจากทุกข์แล้วคือกลายเป็นผู้เห็นแล้วมีทางออกไหมแก่ไม่เป็นไรนะแก่ก็ไม่ใช่เราเรื่องเป็นกรรมของกายใจเราไม่แก่ เหมือนกันดังนั้นหลุดพ้นไที่จิตใจมีปัญหาในเชิงปฏิบัตินะฮะก็คือว่าพวกเราก็เป็นครูโยคะก็ฝึกโยคะสม่ําเสมอทุกเช้าเนาะเราก็จะฝึกโยคะฮะตั้งไว้ว่าจะฝึกโยคะวันละครึ่งชั่วโมงวันละสี่สิบห้านาทีนะฮะตอนฝึกก็จะพยายามฝึกอย่างที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้ในเชิงของเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนียมากขึ้นการเนื้อเหยียดตึงก็ลู้ว่กล้ามเนื้อเหยียดตึง กล้ามเนื้อผ่อนคลายก็รู้ว่ากล้ามเนื้อผ่อนคลายนะพยายามทําในเชิงที่เราอาจจะเรียกว่ากายานุปัสสนาทําแบบเนี้ยฮะมาเป็นเดือนเป็นปีทํามาหลายปีแล้วมันก็ยังอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่ทราบเราจะไปใ ห, ให้มันขยับขึ้นไปจากตรงนี้ได้ยังไงทําไมมันอยู่อย่างนี้มาตั้งนานนานมันไม่ไปไหนเลยนะเห็นอาจารย์ไปแล้วอยากไปมากเอาเนี่จะขยับให้ที่เราทําเนี่ยเราทําแบบเราเข้าไปอยู่มัน เวลามีการเคลื่อนไหวเราไม่แยกว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวนั้นเป็นเรื่องของกายมันไม่ใช่เราหรอกถ้าเป็นเราก็เราเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้มันเรายกมือโอ้นี่กายมันยกนะเราเป็นผู้รู้มันต้องแยกแบบนี้ก่อนอย่าเข้าไปต่งว่าเรายกมือการยกมือการเคลื่อนไหวของกายมันไม่ใช่เรามันก็เหมือนอย่างกับว่านั่นคือเรื่องของกาย เราเป็นผู้รู้ใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนดูซะถ้าแยกแบบนี้เราจะเหมือนว่าเราไม่ได้เคลื่อนไหวซะแล้วดูใครกันรู้มันเคลื่อนไหวกายที่กันเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งจิตทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่ต่างกาันต้องเริ่มต้นจากแยกแบบนี้เขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตหรือแยกรูปแยกนามกันเอาว่าเราเป็นผู้เคลื่อนเป็นเราทั้งรุ่นเนี่ยมันก็ได้แต่กําลังแต่ใจก็ไม่พัฒนา ก็ยังเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นอยู่แบบนั้นให้เป็นผู้ดูซะเป็นผู้รับรู้รับทราบในการเคลื่อนไหวใช้ให้กายมันเคลื่อนไหวจิตมันใช้ให้กายเคลื่อนไหวแล้วจิตก็รู้กายเคลื่อนไหวไปเป็นทาสจิตเป็นนายกายเป็นเบาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นผู้ใช้อย่าเข้าไปเป็นขอบคุณมากนะครับแต่ตรงประเด็นตรงนี้เลยเพราะว่าไอตอนที่เราทําเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเคลื่อนไหวอาจารย์บอกว่า ต้องดูจนกระทั่งว่าไม่ใช่เราเคลื่อนไหวครับตรงนี้ฮะไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่เราสทัทีก็เข้าใจนะฮะคําพูดนะ่ะแต่ว่าตอนปฏิบัติมันจะปฏิบัติยังไงว่ามันไม่ใช่ฉันนะมันรู้ยากที่ว่าเราถ้าคิดเมื่อไหร่มันก็คือพื้นฐานเรายึดเป็นเราอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะครับพื้นฐานตอนนี้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูหน้าที่ดิจิตเนี่ยมีหน้าที่แค่รู้จิตธรรมะที่รู้ แต่กายเนี่ยมันรู้อะไรไม่ได้หรอกกายเป็นดุ้นๆมันไม่รู้อะไรเลยไอที่รู้ได้คือจิตรู้สังเกตนะซากศพเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกมีแต่กายไม่มีใจนั้นให้เราเริ่มต้นจากการรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้ว่ามันเคลื่อนรู้เฉยเฉยอย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเมื่อไหร่แล้วก็มันจะรวมกันเลยระหว่างจิตกับกายรวมเป็นหนึ่งเดียวให้เริ่มต้นให้รู้สึกเป็นผู้ดูก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อน เริ่มปฏิบัติก็เริ่มเป็นผู้รู้นรับรู้รับทราบในการเคลื่อนการเริ่มนี้ก่อนแล้วก็ท่าต่อไปก็รู้ไปเงี้ยรู้บ่อยๆเราจะเห็นว่ากายที่มันเคลื่อนไหวนี่ก็ส่วนหนึ่งติดผู้รู้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งมันจะไม่ติดกันละหน้าที่มันทําต่างกันกายทำหน้าที่เคลื่อนไหวใจทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่ต่างกัน ทั้งส อ, งอย่างเนี่ยมันจะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องแยกนะกิตกับกาจะแยกจากกันตรงนี้แหละเริ่มจาก น, น้อยก่อนต่อไปจะเข้าใจโอ้เหมือนไม่ได้เราเคลื่อนไหวเลยเหมือนเรากําลังดูใครเรา ก, กาลังเคลื่อนไหวอย่าฝึกเฉพาะตอนทําโยคะอีตอนเดินเนี่ยเดินเข้าห้าองน้ำเนี่ยรู้ที่ใครมันเดินอกกายมันเดินใจมันรู้ลองฝึกเวลาเดินเวลาทานข้าวเวลาทานข้าวเวลาอาบน้ําเวลาแต่งตัว ฝึกเป็นผู้ดูกายมันเคลื่อนไหวก่อนไอ้ส่วนการคิดปรุงแต่งนั้นไม่ใช่เหลืองจิตมันเป็นการขึ้นอีกกองหนึ่งนะขึ้นีกกองความคิดคือความคิดจิตรู้คือจิตรู้คิดกับรู้นี่มันต่างกันนะนี่ส่วนนามธรรมาส่วนกายก็ส่วนหนึ่งนีมันจะแยกกองออกไปสามกองเนะกายเคลื่อนไหวจิตผู้รู้แล้วก็ไอ้ความคิดปรุงแต่งซึ่งสามอันนี้มันคนละอันกัน แต่เราขาสติก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ารอแยกกายแยกิตเฉพาะตอนทาโยคะการทำโยคะเนี่ยมันช่วงสั้นๆมันแยกไม่ได้หรอกอย่างน้อยเป็นหน่อยต้องการเดินการกินการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องใช้ความคิดเนะี่ยจิตจะแยกได้ชัดเจนมากโอ้กายมันขยับใจรู้กายมันเมื่อยใจรู้จิตมันเบือ่อ ควรู้สึกมันเบื่อแต่ใจรู้เห็นไหมความเบื่อความเซงกับจิตผู้รู้ในีคุรอันกันนะความเบื่อเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งชั่วขณะหนึ่งเป็นกิเลสจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่มีอะไรเราเรู้ทราบไปใจใจการใช้ชีวิตทั้งวันจะต้องทําแบบเนี้แต่เดี๋ยวมาทําโยคะนี่โอ้ ง, ง่ายมากเลยเป็นรูปแบบการปฏิบัติธรรมก็ได้โยคะเนี่ยอย่ามารู้สึกตัวตอนจะพักโยคะอย่างเดียวนะมันต้องมาสลักสนกัน การใช้ชีวิตทั้งวันหรือการฝึกเดินจงกลม mm hmm. การภาวนาดูลมหายใจนัภนณารสามารถเจริญสติให้สติมันพัฒนาพอพัฒนาแล้วมันเกิดสัมมาสมาธิจิตมันตั้งมั่นขึ้นจะเห็นอารมณ์ที่มันแยกแยะกันอยู่คิดเอาก็ไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งรวมถ้าอยู่คิดเมื่ อ, อไหร่แล้วก็มันจะแยกหลักไหนมันก็เอามาใช้เพราะว่าเพื่อความถ่ายถอนความเป็นตัวเราของเราซะเพราะเรา มีความเห็นผิดจิตเห็นผิดไปยึดติดว่ากายเป็นเราใช่ไหมล่ะพอเรามีความเห็นถูกต้องใหม่แล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการภาวนากุศลนี่แหละจี่จะมองเห็นกายจิตไม่ใช่เราอ่สาสมภสตีจะถามอะไรครับเวลาเกิดความรู้สึกต่างๆอ่ะคะ่ะเช่นโกรธเสียใจน้อยใจอย่างนั้นอย่างนี้คะค่ะ เวลารู้สึกอย่างงั้นนะคะมันแนบแน่นเลยว่าเรารู้สึกแบบนั้นอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เราต้องตามดู ร, รู้เหมือนร่างกายด้วยหรือเปล่าคะก็เหมือนกันแต่การจะตามดูอารมณ์เนี่ยอย่าลืมว่าเราตามเข้าไปเป็นอารมณ์หรือเปล่าการตามก็ตามรู้อยู่บางหางรู้แบบดูดูแบบแยกแยะแบบบางหางให้เราต้องแยกได้ว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือจิตผููรู้ อะไรคือจิตผู้รู้อะไรคืออารมณ์ผู้คิด <c oughs> ให้มันแยกกันแต่ว่าไปคิดแบบนั้ไม่ได้หรอกเพราะจิตเรายังไม่เจริญจิตจะไม่เข้มแข็งพอจึงต้องมีการเจรติไปกับการเครื่องไหวของกายซะก่อนให้รู้กายไปก่อนให้รู้กายแบบไม่ต้องไปสนใจกับอารมณ์ก่อนให้มันชนานาญที่รู้กายจนจิตมันเข้มแข็งหรือเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะรู้ท่อทันในอารมณ์ ถ้าจิตจะไม่เข้มแข็งเนี่ยเราตามติดเข้าไปเป็นอารมณ์เลยจนจิตมันเข้มแข็งจากการจริตสติรู้กายให้มันเข้มแข็งเรื่องดูอารมณ์ยังจะดูง่ายแหละพ่อแม่รู้สึกว่าคือทุกข์มันเกิดเวลาที่มีอารมณ์นะคะเวลาที่โกรธเวลาที่เกิดสิ่งต่างๆขึ้นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่กโกรธปุ๊บเนี่ยเราควรจะดูเลยมนะคะว่าไอ้โกรธไม่ใช่เรามันใช่เราหรือเปล่าคะ่ะอืม ก็หลงเข้าไปติดมันอ่ะก็ความโกรธคือสิ่ง <availability> ที่มาปลากดโดยปกติเราโกรธอยู่ก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ั้มความโกรธก็จอดมาถ้ารู้เฉยๆนะรือว่าอ๋อนี่มันคืออาการของจิตเท่านั้นหนอเดี๋ยวมันก็จรจากแต่เราไปเป็นผู้โกรธหรือไปอยากให้มันหายอยากให้ความโกรธบันหายไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยตามติดไปกับความโกรธให้เรารู้รับทราบ เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปทั้งนั้นนะแต่ที่มันไม่ผ่านเพราะเราไปอะไรกับมัน่ะไปบวกไปลบกับมันะมันจึงไม่ผ่านได้ง่ายๆสุดท้ายก็เราผ่านอยู่เดียวเพราะมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่โกรดนี่คือไม่ใช่ตัวเราใช่ไ่มะมใช่มันคือสิ่งที่มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราแค่แค่มองมันมันเป็นแขกหน้าดำที่จรมาชั่วคราวอารมณ์โกรธเราไม่ชอบใช่ไหมแต่อารมณ์ดีเรามาชอบไหม ถ้าแขกหน้าขาวแล้วก็ต้อนรับแขกเมื่อเราไม่โกรธเมื่อเราเกิดอารมณ์ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบมันก็ต้องตามติดมาเราต้องรู้ทันทั้งอารมณ์ที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบสิรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปเห็นว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่ปรากฏช่วงกันหนึ่งแล้วก็จะผ่านไปไอ้ที่ดีเราเอาไอ้ที่ไม่ดีเราไล่นั่นหล่ะเราได้เจอทั้งสองอารมณ์อยู่ในใจเรา เราต้องไม่เอาดีรู้และแปนผ่านไปไม่ดีรู้แปลนผ่านไปจิตจึงเป็นอิสระอยู่เหนือเขาเรียกว่าสจิตตะปริโยธปนังจิตให้ข่าวรอบคือไม่ยึดติดทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ดีนะทํานะไม่ดีเราก็ไม่ทํามันทําดีแต่ไม่เอาทั้งคู่เราจรึงพ้นจากการเป็นโรคติดดี จลสติมากๆให้มันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้จิตใจมันเข้มแข็งนะต้องหมั่นจรลสติบ่อยๆให้ต่อเนื่องเมื่อเราเจรลสติบ่อยๆต่อเนื่องเวลากระทบอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์สติมันจะเกิดเองมันก็จะรู้ว่านั่นมันเป็นธรรมดาของโลกและชีวิตเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับอารมณ์เหล่านั้นมันก็จะดับไปนั่นฝึกสติบ่อยๆ อย่ารู้สึกอย่าเคลื่อนไหวปี๊ปี๊อย่าคิดปี๊ปี๊อย่าทุกข์ปีปี๊ให้รู้สึกตัวมันรู้เท่าทันเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสติมันก็เข้มแข็งเขาเรียกว่านำหน้าอารมณ์อาจารย์คะในตอนที่เราเรียนโยคะกันเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่คำหนึ่งความหมายของคําว่าโยคะที่เราจะใช้คําว่าเป็นการรวมใช่ไหมคะทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์เนี่ยก็จะมองว่าถ้าเราฝึก โยคะแบบที่รวมกายกับรวมใจเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็คือจะเป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าเราฝึกโยคะแบบที่เรามองเหมือนเป็นบุคคลที่สามดูก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งจะรบกวนอาจารย์ให้ช่วยอธิบายตรงนี้ให้ชัดขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็รวมแบบวิถีชีวิตของธรรมะสิกายก็ต้องดูแลใจก็ต้องพัฒนาไอ้คำว่าแยกเน่ยแยกโดยการปฏิบัติสภาวธรรมให้เรารู้แจ้ง เมื่อรู้แจ้งแล้วก็ไม่หนีไปไหนนะแล้วก็ต้องมาฝึกโยคะต่อไปเพื่อเป็นการบริหารกายจิตเป็นผู้ดูแลกายจิตเป็นหมอกายเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ไม่มีหมอคนไข้ก็อยู่ไม่ได้หมอไม่มีคนไข้ก็มีหมอไม่ได้เหมือนกันรวมซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันกายอาศัยเคลื่อนไหวผ่อนคลายเพื่อเป็นการรักษาโรคป้องกันโรคไปใค่จิตดูแลกันไป จิตใจก็ต้องปฏิบัติให้มันพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไม่ยึดติดกับกายแต่อาศัยกายอยู่ไม่ยึดติดแต่อาศัยกายอยู่เพื่อทําหน้าที่ในการใช้ชีวิตก็รวมกันไม่ไปไหนจิตรู้ที่กายจิตก็ไม่ไปปรุงแต่งให้เป็นทุกข์แต่จิตปล่อยวางกายจิตมันก็พ้นทุกข์แต่ก็กลับมาบริหารกายนะผู้ที่เจ้า พ้นทุกข์แล้วท่างก็ไม่ได้ไปไหนนะพ้นโลกแล้วทั้งอยู่ในโลกช่วยเหลือโลกคุยกับคูยโยคะมีฐานอยู่สองคำถามตอนนั้นธรรมะปฏิบัติท่างนั้นเลยโยคะเพื่อการปฏิบัติธรรมต่อไปก็ตั้งเป็นคอสโยคะเพื่อการหลุดพ้นเข้าท่านนะอย่างที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมานานเนี่ยเพื่อให้เราได้เรียนรู้ อยากอาจารย์นะคะอยากจะให้รบกวนอาจารย์ได้นําเราฝึกปฏิบัติสักนิดนึงนะค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมไปกับอาจารย์ด้วยอ่ะค่ะเอาการเจริสติแบบเคลื่อนไหวนะโยคะก็พอจะมีการเคลื่อนไหวเป็นหลักทําให้จิตมันผ่อนคลายได้อลองทําความรู้ตัวเคลื่อนไวนหวในหลบตะเทียนซิอลองฝึกสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ต้องหลับตา ไม่ต้องมีคําบริกรรมไม่ต้องใช้ความคิดจิตที่ไม่คิดจิตที่ไม่ต้องมีบริกรรมรู้สึกตัวที่เฉยๆเนี่ยเป็นจิตที่ผ่อนคลายมากจิตที่ไม่ผ่อนคลายคือจิตที่ไปคิดแม้แต่มีคําบริกรรมก็ติดในคําบริกรรมมันก็เป็นความคิดอย่างหนึง่งจิตก็ยังยังไม่ผ่อนคลายแต่รู้สึกเฉยๆไม่ใช่ความคิดนะให้รู้สึกตัวแบบการเคขึ้นไวเป็นรูปแบบทําเล่นๆอย่าทําจริงนะ ทำเล่นเล่นทํำสนุกผ่อนคลายแต่รู้สึกตัวพลิกมือขวาตะแคงพอเริ่มทําก็เริ่มเพ่งแล้วเอาใหม่เอาใหม่าหม่ทำแบบสบายๆยิ้มพลิกมือขวารู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาให้รู้สึกผ่อนคลายนะรู้แบบเบาๆแบบผ่อนคลายรู้เล่นเลๆเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายถ้าตะแคง ยกมือซ้ายขึ้นมาขึ้นตัวเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาให้รู้สึกเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกรู้สึกเบาๆนะเอามือขวาไว้ด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงรู้เบาๆคว่า ม, มือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอก เอามือซ้ายไปด้านข้างลดมือซ้ายละไว้ที่ขานในท่าแคงรู้สึกนะความมือซ้ายลงคลิกมือขวาในท่าแคงยกขึ้นมารู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดืออย่าเกรงมือนะอย่าเกรงคลิกมือซ้ายในท่าแคงยกมือซ้ายขึ้นมา เอามือซ้ายทับไปที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกรู้สึกเบาๆเอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคง ข้อมือซ้ายลงทาแบบผ่อนคลายมีสติรู้สึกแต่การเคลื่อนไหวรู้แบบดูดูดูแบบแยกแยกรู้แบบเบาเบาเห็นว่ากายเคลื่อนไหวไม่ใช่เรากายทำหน้าที่เคลื่อนไหวเรากลายเป็นผู้รู้รู้มันเคลื่อนเบาเบา อย่าไปนสนใจความคิดผิดก็ไม่เป็นไรนะผิดก็รู้สึกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ได้ล่วงห่างเห็นกายเคลื่อนไหวเหมือนคนอื่นเราเป็นคนดูเวลามันคิดก็รู้แล้วก็ทิ้งไปเลยเอามาแตะรู้ที่กายเบาๆรู้เล่นๆเวลามันง่วงก็รู้สึกว่ามันง่วง จิตสงบก็รู้ว่าจิตมันสงบแล้วก็อย่าไปสนใจมันมันรู้ที่การเคลื่อนไหวของมือดูดูดูกายมันเคลื่อนที่ไม่ใช่เราเคลื่อนแล้วก็เป็นผู้แค่รับรู้ไว้เฉยเวลามันคิดก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็เออวางมันไปเอากายมาเป็นฐานให้มาความรู้สึกกที่กายไว้ก่อนให้มีที่เกาะ เมื่อรู้สึกตัวที่กายนานๆแล้วสติมันเข้มแข็งมันก็จะเห็นความคิดรู้ท่ันกิเลสที่มาความคิดซึ่งกายเคลื่อนไหวมันก็ไม่ใช่เราเคลื่อนจิตที่มันคิดก็ไม่ใช่เราคิดแม้แต่จิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเป็นธรรมชาติของความรู้สึกล้วนๆกายเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่เราความคิดก็ไม่ใช่เราความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่เราจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่มีแล้วไอตัวอยู่พุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วเาขอบคุณครับอันนี้เป็นแค่อารมณ์ซบลองๆให้เฉยไหมในนี้ใครรู้สึ ก, กว่ามันแยกๆ ก, ก, กันบ้างเนีใครเห็นี่เงาๆมันแยกไหมกายเคลื่อนไหวคือส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปแบบทะเล่นๆแต่ผมเห็นนี่ทำเนี่ยหน้าตาผ่อนคลายนะไอ้ความเงเครียดไม่มีนะ รู้สึกผ่อนคลายเนี่ยอย่างเงี้ยต้องทาแบบนี้นะทําแบบผ่อนคลายทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันชั่วคลาผ่อนคลายทั้งนั้นแนหะอย่าไปเคร่งเครียดอะไรก็ตามที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยสิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่เคร่งเครียดหรอกแต่ใจเราต่างหากใจเราเข้าไปสัมผัส ด, ด้วยใจแบบไหนถ้าใจแบบจะเอาจะได้จะดีจะไวจะเหนือเข้าเราก็ใจมันก็จะเครียด ต, ตามแบบเออศัต่ว่าเล่นเล่สบายๆแบบผ่อนค้าแบบรู้สึกห่างๆเนี่ยมันจะมีความสุขทําหน้าที่แบบไม่ต้องหวังแล้วก็ไม่ต้องเป็นอะไรทําเหตุคือหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ต้องหวังแล้วเดี๋ยวผลก็จะปรากรแม้เราไม่ต้องการหวังหรือไม่หวังไม่สําคัญสถานที่เหตุที่ถูกต้องเพียงพอหรือไม่ถ้าเหตุถูกต้องและเพียงพอแล้วก็ผมก็จะปรากฏดีเอง ดีเกินหวังด้วยซ้ำไปการปฏิบัติก็เหมือนกันนะสร้างเหตุคือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเบาๆไม่เพ่งไม่จ้องผลคือจิตมันเบามันว่างแลเห็นไหมนิพพานก็อยู่ชั่วขขณะตรงนั้นเองไปฝึกดูนะการเดินจงกรมก็สติรู้ที่การเดินเป็นปัจจุบันอย่าไปเพ่งว่าเท้ากระทบอะไรมันจะเครียดปัจจุบันนี่กาลังเดินก็รู้ว่าเดินก็จบ กำลังทานข้าวก็จะไปเพ่งว่าค่อยๆเลื่อนมาเคี้ยวกลืนโอ้มันเพ่งให้รู้สึกก็ปัจจุบันนี้กําลังทานข้าวแล้วจิตก็จะเก็บรายละเอียดไปเองนานบ้างก็จิตจะเก็บรายละเอียดไปเองความชํานาญของจิตจะเกิดขึ้นเองให้เริ่มต้นจากเก็บหยาบแล้วเข้ามาหารละเอียดถ้าเริ่มจากละเอียดเครียดซะก่อนแล้วมันจะคลายยากต้องคลายก่อนเพระจะเครียดไม่เครียดแล้วไม่เอาแล้วจิตก็จะเก็บอารมณ์เก็บความสึกไปเองนะ ทุกอย่างสามารถเติมความสุดเชงนนั้นเลยรู้สึกแบบดูดูเบาๆสบายๆในโลกนี้ไม่มีของจริงหรอกชีวิตเรามันก็ไม่จริงอย่าไปจริงจังกับมันเลยทาหน้าที่ถูกต้องกับฟอแล้วอย่าไปจริง